นิทานบรรเทิงธรรมเรื่องแผนชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเรา เกิดเป็นลูกชายสุชาดานางสุชาดาเป็นหญิงดู และบิดามารดาของสามีเป็นอย่างดีครอบครัว เตรียมข้าวอ้าวเอา เมื่อได้เวลาอันเหมาะเอ่อ พักกันที่นี่ก่อนนะหายเหนื่อยแล้วค่อยออกเดินทางต่อที่นี่ก่อนนะหายเหนื่อยแล้วค่อยเอ้ยพักเหนื่อยสักครู่นึงเอา พระเจ้าพรหมทัตเสด็จ 2 แม่นางคนนั้นสวยจริงๆมีสามีแล้วเหรอมีแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เอาล่ะมณีเสอม่าพระเจ้าค่ะ ให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบพระเจ้าพรหมทัตจึงทรง ห้ามคนเข้าออกและรับสั่งให้ ไอ้เดี๋ยวๆๆๆๆนี่ไปเฮ้ยไปไปเจอพระราชาซะไป มัดแขนไคลหลังคุม <ahead wrestling ps> เฝ้าหน้าที่คุ้มตัวสามีของนางสุชาดาอย่าง เมื่อสิ้นคําอธิษฐานสิ้นคำเกิดแสดงอาการร้อนรนขึ้นมาพระที่นั่งของเราจึงรู้สึกร้อนรนบรรดุกำพลศิลา โอ้อย่างนี้นี่เองพระเจ้าพรหมทัตกำลัง นั่นคือพระอินทร์จึงรับ เกื้อนำไปสู่หลักประหารพระอินทร์ทรงใช้ แผนพระเจ้าพรหมทัตเพชรชาติยืนถือขวานคอย ไม่ใช่นักโทษประหารใช่ทันใดนั้นโทษประหารแต่กลับเป็นพระเจ้า เรามาพระ ฝ่ายพวกอมมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์เก่าและ เราเชื่อว่าพระเจ้าใช่ใช่ใช่จริงจริงไปไป หลังจากสถาปนาพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ใหม่แล้วก็ทรงเหาะขึ้นไปบนอากาศพร้อมทั้งให้โอวาทว่าและเมื่อใดที่พระองค์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นฝนจะตกผิดเวลาคือกลับไม่ตก คือภัยเกิดจากโรคจากจากนั้นหิวนิธานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกิดจากโรค เหมือนสามีของนางสุชาดาสามี